ท่านเจ้าขุนประเทศบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาบุรุษราชวทยาลัยท่านรองศาสตราจารย์ดรชูสิษย์ประดับเพชรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฝ่ายกิจการนักศึกษาวิจัยและพัฒนา ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทุกท่านขออนุโมทนาในเบื้องต้นที่ได้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในการประชุมสัมมน า, านในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาต่อไปใน หัวข้อที่จะได้พูดคุยกับท่านทั้งหลายเป็นเรื่องของการวิจัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 คำว่าไทยแลนด์ู 4.0 เป็นโมเดลเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาทางเศรษฐกษิจที่มุ่งจะขับเคลื่อนประเทศเราให้ ให้ยกระดับสูงขึ้นภายในไม่เกิน20ปี 15-20 ปีจากที่ประกาศใช้เพื่อให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นคือยกระดับเพราะฉะนั้นโมเดลนี้เนี่ยมันใช้เฉพาะประเทศไทยเราเรียก 4.0 ของเราเองประเทศอื่น เขาก็มีโมเดลมีแบบของเขาและเราก็เริ่มใช้ต่อเมื่อประเทศไทยได้มาอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงตั้งแต่ปี2554ที่ธนาคารโลกจัดยกระดับของเราให้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้เราก็จะไม่มีเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 พอหลังจากนั้นมาก็คิดกันว่าไทยยังไงจะยกระดับประเทศไทยเนี่ยให้ไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งตามภาพที่แสดงคือการแบ่งกลุ่มเศรษฐกิจของโลกในสมัยก่อนก็จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาเราหลายคนก็ยังติดปากอยู่ แต่ในปัจจุบันธนาคารโลกไม่ใช้คอนเซป t นั้นอีกแล้วเขาใช้แบ่งกลุ่มเศรษฐกิจโลกเป็น4ี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งทีถ่ถือว่าเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยคือกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง high income countries อย่างสาหรัฐอเมริกาใกล้บ้านเราก็สิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่น อยู่ในกลุ่มที่สูงสุดกลุ่มที่สองเราเพิ่งขยับขึ้นมาการที่เราขยับขึ้นมาเนี่เขาคำนวณจากรายได้ประชากรต่อหัวต่อปีนะกว่ามากกว่าห้าพันเหรียญสหรัฐนะขึ้นไปจนถึงประมาณ 12, หมื่นสองพันเหรียญสหรัฐอยู่ในกลุ่มนี้ พอเรารายได้เฉลี่ยประชากรเราขยับมาอยู่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยธนาคารโลกเขาก็ยกระดับของเราขึ้นไปทันที อ, อ, อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปลางกลางระดับสูง upper middle income country อ, อ, อยู่ในกลุ่มจีนรัสเซียมาเลเซียในอาเซียนเนี่ยสิบประเทศสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มที่หนึ่ง ไทยกับมาเลเซียอยู่ในกลุ่มที่สองที่เหลืออีก7ประเทศอยู่ในกลุ่มที่สคือกลุ่มประเทศที่มีไรายได้ปานกลางระดับล่างอินเดียสีรังกาวเวียดนามและก็อาเซียนอื่นๆซึ่งประเทศในอาเซียนเนี่ยที่เหลือเนี่ยเขาก็ประกาศว่าในกี่ปีเขาจะตามมาอยู่ในกลุ่มที่สองเราก็ประกาศว่าเราจะขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่1 ส่วนหลังท้ายสุดคือกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีแรงจูงใจดังกล่าวมาและทำอย่างไรถึงจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้เนี่ยมันก็จะต้องระดมพลังทั้งประเทศช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยแล้วก็กําหนดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมเป็นแชร์วิชั่น ที่ทุกฝ่ายจะต้องไปให้ถึงในโลกเราปัจจุบันนี่เรามีแชร์วิชันอยู่เรื่องหนึ่งที่พยายามขับเคลื่อนไปยกยกกบิการพัฒนาของโลกไปสู่เป้าหมายเดียวกันโดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ปี2030เป็นปีบรรลุมหมนเรารู้จักกันในนามว่า SDGs sustainable development goals เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศทั่วโลกต้องไปให้ถึงอันนั้นเป็นวิสัยทัศน์ร่วมระดับโลกระดับประเทศของเราเราก็มากำหนดของเราเองเป็นไทยแลนด์ 4.0 ในประเทศจีนเขาก็มีโมเดลการพัฒนาของเขาซึ่งเขาต้องการบรรลุถึง ในปี2025โดยเรียกกันว่า Made in China m o เด l ยี่ห้อสินค้าที่ผลิต Made in China ตอนนี้มันยังมีภาพลักษณ์ของคุณภาพที่ยังยังคลางแคลงแต่ต่อไปอะไรก็ตามที่ Made in China เนี่ยมันจะต้องได้รับการต้อนรับ และแสวงหาเขาก็สร้างเป็นโมเดลของเขาแล้วก็จะมีกระบวนการต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นประเทศไทยเราก็มุ่งไปสู่เป้าหมายประเทศที่มีรายได้ปานกลางเอ่อไรายได้สูงเราก็มีโมเดลแบบของการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 โดยเทียบกับการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ไทแลนด์ 1.0 รายได้ในการส่งออกของประเทศพึ่งพาภาคเกษตรกรรมชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติต่อมาเราก็เป็นไท a แลนด์ 2.0 เราพึ่งพาการส่งออกไปที่อุตสาหกรรมเบาสิ่งทอรองเท้ากระเป๋าหนังอะไรต่างๆโดยพึ่งพาแรงงานราคาถูก แล้วไปต่อมาเราก็พัฒนาไปที่ 3.0 มาอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นอุตสาหากรรมหนักและพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยทำให้ประเทศเราพัฒนามาถึงจุดนี้แต่เราก็เป็นเป็นหักของเขาบ้างเป็นสถาเป็นเซเไลเป็นดาวเทียมของเขา ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ในการผลิตมันก็จะเป็นของผู้ประกอบการผู้ลงทุนเราก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเขาเป็นมือปืนรับจ้างแต่ก็พาให้ประเทศของเราเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้โดยเราลงทุนสูญเสียไปหลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่เราไม่สูญเสียนะเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ให้ให้กับการพัฒนามาถึงปัจจุบันแล้วปัจจุบันใ้สิ่งแวดล้อมเราก็เสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติก็หมด เ, เพราะฉะนั้นการพัฒนาต่อมันจึงเป็นไปได้ยากที่จะขึ้นใบรายได้สูงโดยอาศัยความได้เปรียมในเรื่องแรงงานราคาถูกกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพราะเราใช้ไปหมดแล้ว แรงงานราคาถูกเราก็อาศัยไม่ได้แล้วเพราะว่าเพื่อนบ้านเราเขาได้เปรียบตรงนี้ประเทศเรานั้นพอมีอไรายได้ปลายกลากระดับสูงเงินเดือนค่าจ้างมันก็สูงมันก็ไม่ใช่สิ่งได้เปรียบอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราสิจุศูนยนี่เราจะทำยังไงในเมื่อเราไมา่ไม่สามารถจะอาศัยบุญเก่าได้อีกแล้วตรงนี้แหละที่ทาให้เห็นว่า เมื่อเราหมดบุญเก่าประเทศเราก็ชะงักงันในการที่จะพัฒนาต่ อ, เ, อ à, เพราะเอาม า, มาติดกับประเทศที่มีรายได้ปานกลางเขาเรียก m i ด d ดล i n c o m ม t r a ็มันเป็นกับดักของประเทศที่ à, มีรายได้ปานกลางแล้วไม่อาจจะขึ้นไปสู่รายได้สูงได้ อ, à, อย่างบราซิลอาร์เจนตินาอะไรต่างๆเนี่ย à, ก็อยู่ในสภาพ คล้ายกับเราเมื่อก่อนประเทศไทยเราถ้าเราจะดูภาพในห้าสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตของ GDP เนี่ยเราสูงโดยเฉลี่ยในช่วงปีสามสองห้าสามสี่เนี่ยมันประมาณสิเอร์เซนะ GDP เราเศรษฐกิจเราเติบโตจนในยุคนั้นเขาเรียกว่า ไทยแลวนี่ไทยแลนด์เนี่ยเป็นโมเดลของการพัฒนาที่มหัศจรรย์ธนาคารโลกเรียกว่าม i รา c l e of a เอเชียเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเอเชียตีคู่กันมากับจีนจีนกับเรานี่ยตั้มขึงกันนะในช่วงนั้นเนี่ยแต่เรานำอยู่นิดหนึ่งแล้วอยู่ๆในปี40ท่านก็จะเห็นว่าเราเกิดเศรษฐกิจตกเพราะ เพราะว่าการส่งออกของเรามีปัญหาเราไม่สามารถจะแข่งขันได้อีกแล้วความได้เปรียบในเรื่องแรงงานราคาถูกเทคโนโล ย, ยีอะไรต่างๆนี่มันถูกแซงโดยประเทศอื่นเศรษฐกิจเราก็ตกมาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจนเรียกว่าจากเจดปดอร์ซต่อปีมาก็เหลือส4มสี่เปอร์เซจนทึกวันนี้และถ้าเราอยู่ในระดับสาสี่เปอร์เซนตอย่างนี้ ไม่มีโอกาสที่จะขึ้นสู่รายได้สูงถ้าอยู่อย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าตามบุญตามกรรมเนี่ยเราในชีวิตเราก็ไม่ทันเห็นหรอกเพราะฉะนั้นมันจะต้องกำหนด s t r ี t e g y ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระดับสูงขึ้นแต่เราก็ไปยากเพราะมันติดกับมันเป็นกับดักของ ประเทศรายได้ปานกลางหลายๆประเทศเรามาดูว่าจีนรัสเซียจะทะลุทะลวงไปก่อนเราได้หรือไม่กับดักที่ว่านี้เนี่ยเขาดูปรากฏการณ์อย่างนี้ว่าหลังจากที่ประเทศนั้นๆเนี่ยขึ้นมาสู่ระดับการพัฒนาที่เรียกว่ามีรายได้ปานกลางระดับสูงแล้วเนี่ยปกติถ้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ย ไม่เกินสิบห้าปีเราจะขึ้นไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงอย่างสิงคโปร์เกาหลีใต้อย่างนี้ประมาณนั้นแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยถอยหน้าถอยหลังนี่แสดงว่าเราติดกลับติดลมเลยนะบ้านเราจะจะจ ะ, จะชิ่อกับคําว่าไอ้รถมันติดลมไปก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้งึกจึกกัดเือกกัดอันนี้ประเทศเราเนี่ยมัน มองในมันก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าตั้งแต่ปี40มาเนี่ยจนถึง60เนี่ยมันมันอยู่ในสภาพติดกับแต่เราก็ยังสามารถขึ้นไปรายได้ไปานกลางระดับสูงได้แต่จะไปต่อเนี่ยทำอย่างไรเนี่ย เ, เพราะฉะนั้นมันจึงสเสมือนสะพานขาดเน้่ยเราอ ย, อยู่มีเป็นซุปเปอร์ไฮเวลวิ่งมาเร็วๆๆแล้วมันก็นตกตุ๊บลงไป ไปวิ่งอยู่กับพื้นดินเนี่ยเป็นถนนธรรมดาสิ่งที่ท้าทายพวกเราก็คืองานวิจัยนี่แหละที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาติดกับกับดักของประเทศเนี่ยมันยิ่งใหญ่งานวิจัยและนวัตกรรมต้องช่วยขับเคลื่อนประเทศของเราไม่ว่าจะด้านสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องช่วยกันหมดเลย ถ้าไม่ช่วยกันเนี่ยมันอยู่อยู่ในสภาวะที่คำพังเพยเขาบอกว่ายากอะไรไม่เท่าไม่ยากเท่าปฏิสังขรนปฏิสังขรคือซ่อมแซมบุรณะยากกว่าสร้างใหม่นะยากกว่าสร้างใหม่เพราะฉะนั้นยากอะไรไม่ยากเท่าปฏิสังขรยิ่งปฏิสังขรประเทศเ น, นะประเทศที่มันตีกันทะเลาะกันเนี่ยมันยากเราจะ เชื่อมประสานปรองดองกันได้อย่างไรในด้านสังคมยากอะไรไม่เท่ากับปฏิสังขรณ์ถอนอะไรไม่ยากเท่ากับถอนมานะคนมันมีมานะทิฐิเข้าหากันเนี่ยแล้วจะให้คืนดีกันทำอย่างไรไปวิจัยด้วยนะประเทศเราเนี่ละอะไรไม่ยากเท่ากับละกามคุณมันก็เป็นกับดักอีกอันหนึ่ง บุญอะไรทำไม่ยากเท่าบุญบันพชาหาอะไรไม่ยากเท่ากับหาตนมองแต่คนอื่นแต่ไม่ได้มองตัวเองหาอะไรไม่ยากเท่ากับหาตนจนอะไรแก่ไม่ยากเท่ากับจนปัญญาจนเงินจนทองยังใช้ปัญญาแก้จนแต่พอจนปัญญานี่จะทำยังไงนี่แหละ ต้องใช้วิจัยบุกเบิกหาปัญญาถ้าประเทศเราจนปัญญาเนี่ยตีกันยังไม่จบสักทีหนึ่งเนี่ยและเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะจบมันจนปัญญานะท่านสมานฉันปรองนองวิจัยจะช่วยได้อย่างไรเศรษฐกิจของเราที่พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขัน นวัตกรรมจะช่วยได้อย่างไรงานวิจัยทั้งสิ้นและถ้าพวกเราไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้ทำวิจัยให้สักแต่ว่าเสร็จเก็บไว้ในตู้รู้อยู่คนเดียวคือเจ้าของไม่มีใครเอาไปใช้ประโยชน์แล้ววิจัยทำไมให้เสียสตางค์เราวิจัยไปพลรางสองทางในขณะที่ประเทศชาติต้องการปัญญาจากพวกเราเนี่ย เราจะอยู่นิ่งดูดูดยได้อย่างไรถ้ายึดหลักการวิจัยเพื่อไปสู่เป้าหมายคือประเทศมีรายได้สูงเนี่ยคิดตามกรอบอริยสัจ4ี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ปัญหาของประเทศไทยคือความทุกข์เราติดกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง แล้วเป็นกับดักของประเทศไทยประเทศมันประเทศเรามีลักษณะเฉพาะของเราเพราะฉะนั้นการวิจัยเฉพาะสภาพปัญหานี่กับดักมันมีกี่อย่างอะไรบ้างมาสาจากสาเหตุอะไรเนี่ยเราเรียกว่าหาสบุทไทยหรือสบู่ฐานเราเห็นแต่ว่าสภาพใหญ่ๆก็คือความสามารถที่มันด้อยในการแข่งขันด้านการ ผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยเราลดลงแต่ก่อนประเทศเรามีความสามารถในการแข่งขันเพราะราย ร, ย, ร, ย, รยงานราคาถูกเพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่บริบูรณ์ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นมั น, มนหมดไปแล้วเราจะต้องหาขีดความสามารถ อื่นมาทดแทนท่านจะต้องวิจัยละเราจะสร้างอะไรมาทดแทนเพื่อให้มีขีดความสามารถของเรา competitive เนี่ย c o m p e t i t i v e c e t i ที่เขาเขาจัดลาดับทุกปีทุกปีเนี่ยระดับโลกเราลดเราจะเพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรเป้าหมายคือนิโรธยกประเทศให้มีไรายได้สูง ต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันด้วยนะไม่งั้นท่านจะวิจัยไปไปไหนก็ไม่รู้วิสัยทัศน์เราต่อให้รัฐบาลพูดพอยห่่่อยแห้งแต่วิจัย่ป่นป่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่ร่่ร่่ สถาบันนั้นไปทางนี้สถาบันทางนี้แล้วมีวิสัยทัศน์ของประเทศเอาไว้ทำอะไรเหมือนเอ g ของ u ูเนเี่ยเขาต้องการขับเคลื่อนทั่วโลกไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วถ้าหากว่าแต่ละประเทศสร้างดาวคนละดวงมันก็ไม่บรรลุผลถ้าพวกเราไปคนละทางสองทางไม่มีซินเนอร์จีประสานพลังงานเท่าด้วยกันอย่างที่เรามาประชุมกันเนี่ยเป็นซินเนอร์จี ต่างคนต่างทำมันเป็นจิก๊กซอว์เอาจิ๊กซอว์มาต่อกันแล้วมันจะเกิดพลังขับเคลื่อนทีนี้ถ้าหาว่านิโรธเนี่ย ว, วิสัยทัศน์ไปนี้ไปสู่ไอ้วิสัยทัศน์คือเป้าหมายไม่ตรงเราก็อย่าไปหวังอะไรมากมันไม่มีการประสานพลังงานพลังเขาด้วยกันแล้วทำอย่างไรมันก็เป็นมักทวิธี เรื่องวิจัยนะวัตกรรมที่เรากำลังทำเนี่ยมันหามัคควิธีที่จะไปสู่เป้าหมายข้อที่สมเพื่อไปแก้ปัญหาข้อที่หนึ่งและลบล้างสมุธฐานข้อที่สองวิจัยมันก็ต้องเป็นไปในระบบนี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ทีนี้ถ้าเรามาดูถ้าเราไม่ตกลงกันก่อนว่ากับดักของเรามันคืออะไรแล้วขีดความสามารถเราเราจะเพิ่มได้อย่างไรมัคควิธีมันอยู่ตรงไหน วิจัยและที่ท่านทำเนี่ยไม่ว่าจะโลจิสติกอะไรต่างที่จริงมันคือเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันแต่ถ้าท่านอุตสาห์ทำแล้วมันไม่เอามาเชื่อมกับเป้าหมายมันไม่มีใครมาประยุกไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยท่านก็ทำเหนื่อยเปล่ารวมถึงด้านการศึกษาการศึกษาเพื่อสร้างสกิลเลเยอร์ไอสกิลทักษะที่ต้องการมันคืออะไร ถ้าทักษะที่ท่านผลิตนิสิตบันดิตออกไปเนี่ยมันไม่ไปสอดคล้องกับเป้าหมายมันก็ล้นตลาดใช่นไหมแค่นี้แหละสิ่งที่เราผลิตเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นระบบของออการวิจัยนะวัตกรรมมันก็จะต้องไปสู่เป้าหมายเดียวกันแลวเราต้องพูดให้มันตรงกันอาตมามาดู งานต่างๆที่เขาวิเคราะห์แล้วกับคิดเองบ้างเนี่ยสรุปหลักๆสมุทัยกับดักของประเทศไทยเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากต่อไปนี้ก็คือได้พูดมาแล้วก็คือทรัพยากรธรรมชาติสิ่งที่เราเคยได้เปรียบขุดออกมาจากใต้ดินหรือสิ่งแวดล้อมต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยป่าไม้เนี่ย มันเสืิมโทรมไปแล้วไอ้ทำให้ความได้เปรียบของเรามันลดลงอันนี้ก็ข้อข้อแรกนะข้อสองเนี่ยก็คือเรื่องสกิลเลเบอร์เราไม่ผลิตออแรงงานที่มีฝีมือมันจะต้องเข้ามาทดแทนชิปเลเบอร์แรงงานราคาถูกแพะระบากคือระบบการศึกษา ระบบการศึกษาเนี่ยโดนตำหนิมาตลอดในเรื่องข้อที่สองเพราะมันไปรวมถึงอะไรมันไปรวมถึงเมื่อไม่มีทักษะมันเหมือนมันไปรวมอยู่เทคโนโลยีด้วยต่อให้เราซื้อเทคโนโลยีมาเยอะแยะแต่เราไม่พัฒนาของเราเองให้มันเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทยซื้อของเขามาใช้ไม่คุ้ม เทคโนโลยีทางการแพทย์แพงมหาศาลเราเอามาใช้คุ้มหรือเปล่าเหมือนกับทุกวันนี้คนไทยเนี่ ย, ซ, ยซื้อโทรศัพท์เด็กวัยรุ่นซื้อโทรศัพท์มาเนี่ยมันมีโปรแกรมต่างๆมากมายราคาเวอร์ชันใหม่มันแพงแต่เราใช้ทำงานอยู่ไม่กี่เรื่องแพงเพื่อมีหน้ามีตา อวดกันว่าฉันซื้อราคาแพงแต่จริงๆเอามาใช้แค่โทรศัพท์แค่แชทถ่ายภาพไม่คุ้มเลยเพราะความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีเรียกว่าลูกเล่นบางอะไรบ้างมันตามไม่ทันมันใช้ประโยชน์เยอะแยหมดแต่เรามีกันอยู่เนี่ยใช้ทำกี่อย่างเพราะมันต้องไปเรียน ประเทศไทยอย่าว่าแต่มีนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีเลยแค่ Import เทคโนโลยีมาเนี่ยเราสร้างคนที่เรียนทางด้านเทคโนโลยีเขาเรียกนักเทคนิเชียนเนี่ยยังไม่ทันเลยเพื่อใช้ให้คุ้มเนี่ยท่านเพราะฉะนั้นมันก็จะโยงการศึกษาของเราเนี่ยเมื่อเราสร้างพัฒนาคนไม่ทัน ใช้เทคโนโลยีก็ไม่ทันและเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ดิจิทัลแล้วท่านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมันไป f o r t h Industrial Revolution แล้วปฏิวัติอุตสาหกรรมที่4ประเทศไทยนี่เพิ่งมีกระทรวงดิจิตัลแล้วคุยกันเรื่องการศึกษาในยุคดิจิทัลแต่โลกตะวันตกมันไปเกินกว่านั้น ดซึ่งมองในแง่หนึ่งต่อให้เราพยายามพัฒนาเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่ทันแต่สิ่งที่เราจะทำได้คือนวัตกรรมมันคีย์เวิร์ดเลยละ่ะเพียงแต่เรายังเข้าใจตรงกันหรือเปล่าคําำว่าอินโนเวชันนวัตกรรมมันคืออะไรแล้วมันยากขนาดไหนอาตมาว่ามันไม่ยากเนี่ยจะพูดให้ฟังเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันมันเป็นหัวใจเป็นทา ง, งออก เพราะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้คนไทยเรียนเพียวสายเราก็ไม่เรียนหนึ่งมันยากสองรายได้มันน้อยสู้แอ l พลายเทคโนโลยีไม่ได้เพราะฉะนั้นระบบ ก, การศึกษาประเทศไทยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเป็นฐานทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย Invention เนี่ยเลิกคิดเลยเรื่องการผลิตแต่อินโนเวชั่โอเค ระบบการศึกษามันจะต้องประเทศไทยมันต้องมุ่งไปอย่างนั้นเรื่องของเทคโนโลยีที่ห ล, หลังต้องคิดถึงนวัตกรรมข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานอันนีเ้เมื่อเราจะให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต l i f e ร o n g Education เนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องไปเรียนในสถาบันมหาวิทยาลัย อยู่ที่ไหนแม้แต่ชาวนาก็เรียนได้แต่เรามีขอขวดเรื่องการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอะไรทางนั้นมันอยู่ในส่วนกลางมันไม่กระจายไปทั่วประเทศตามภูเขาตามอะไรต่างๆรวมไปถึงคมนาคมถนนหนทางรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินอะไรต่างๆมันกระจุกตัว ฉะนั้นการพัฒนามันไปจะไปพัฒนาเพื่อใช้คนที่เราอุตสาหผลิตไปทั่วหมดให้มาทำงานเนี่ยมันไปไม่ถึงคนมันก็ อ, อกพยพอยู่ในเมืองแล้วโรงงานก็มาตั้งในเมืองมันก็พลูชันมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาคือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจนเขาเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจาย คนรวยมันก็รวยมากขึ้นไอ้จนมันก็ยังจนเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานมันไม่กระจายการานาไรต่างมันมันไม่กระจายไป่วกมันก็เกิดขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเกิดความขัดแย้งทางชนชั้นคนมีคนจนแล้วนำไปสู่เสถียรภาพทางการเมือง เรื่องตั้งก็จะแบ่งเป็นคู่ใคร ท, ทาเพื่อคนเมืองใคร ท, ทาเพื่อคนชนบททะเลาะ ก, กันวุ่นวายหมดหาเสียงกันเนี่ยแบ่งแบ่งฐานเสียงตามโซนเศรษฐกฐิจแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเป็นธรรมได้ทั่วถึงมันก็จะลดแม้กระทั่งในภาคใต้ของเราเนี่ยสิ่งที่มาอ้างอิงประการหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่ความการแตกแยกทางการเมืองซึ่งการแตกแยกทางการเมืองมาก็มากระทบเศรษฐกิจมันก็เป็นงูกินหางเป็น ว, วิเชียรเซอร์เคลิลเป็นวงจรอุบาทและสุดท้ายปัญหาใหญ่อีกการหนึ่งซึ่งเป็นกับดักประเทศไทยก็คือขาดธรรมาพิบาลในด้าน m มเน g จ m e n เมน์ด้านการบริหารเราจึงมีทุจริตคอร์รัปชันมากมายมหาศาลแก้กันยังไม่ได้ แค่จะแก้ปัญหาทุ จ, ทจริตในองค์กรด้วยการกําหนดให้มีการแจ้งทรัพย์สินนี่วงแตกหมดเลยก็ในสภามหาวิทยาลัยก็มีปัญหาที่นั่นกัมีปัญหาเพราะไม่รู้มันจะจับจุดตรงไหนไงเราอยู่ในสภามหาวิทยาลัยเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะที่คุณจะมาให้แจ้งทรัพย์สินอะไรต่างเพราะมันไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายแต่ก็ต้องถือว่ามันมาจากเรื่องของธรรมมาพิบานนั่นแหละ พะเราขาดธรรมาพิบาลทุจริตคอรัปชันเยอะแยะแก้แบบเวียงแหงมั่วไปหมดวิจัยช่วยกันหน่อยสิในเรื่องเหล่านี้ที่พูดกันมาเนี่ยหกประเด็นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะหาทางออกจากกับดักเหล่านี้อย่างไรฝ่ายรัฐบาลเขาก็มาเสนอวิชันของเขาเขาเรียกไทยแลนด์ 4.0 ฝ่ายรัฐนะโดยไทยอคโนมี 4.0 เนี่ย ต้องการให้ less for more ไม่ใช่ more for less ไม่ใช่ทำงานหนักแต่ไรายได้น้อยเพราะเป็นมือปืนรับจา้างต้องการให้เป็นสตาร์ทอัพเป็นอิสระพิเนอร์เป็นผู้ประกอบการอย่างที่เราได้ยินกันเนี่ยแล้วจะทำาอย่างไรล่ะเป็นผู้ประกอบการเองก็เอาโมเดลของเกาหลีใต้นั่นแหละ เกาหลีใต้ไม่ได้ใหญ่กว่าเรามากเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาเามีเขาเรียกว่าฐานทางเศรษฐกิจวารุ่มเขาใหญ่แต่สิงคโปร์เกาหลีใต้เนี่ยพอจะเป็นโมเดลเราได้สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเอามาใช้จากเกาหลีใต้ก็คือเอาทุกภาคส่วนเนี่ยมาจาก SME มเนี่ยนะมาเป็นสตาร์ทอัพมาเริ่มธุรกิจ ไม่ได้เอเพราะอะไรเพราะมันมีอินโนเวชั่นมันมีนวัตรกรรมมันมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้นและตรงนี้แหละที่ท้าทายในภาคเทคโนโลยีภาควิทยาศาสตร์ว่าไอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสตาร์ทอัพเนี่ยมันคืออะไรมหาวิทยาลัยราชาพัฒ์ที่อยู่กับชุมชนเนี่ยเราไปส่งเสริม โอท็อป uh, ด้วยนะวัตรกรรมเพิ่มขึ้นมีโอท็อปเพิ่มขึ้นมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเนี่ยทำอย่างไรมีการขนส่งคมนาคมโลจิสติกที่มันถูกอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นและมีการขนส่งมันก็ทำให้เกิดการบริการที่รวดเร็วราคาถูกฉับไวกลุ่มซึ่งรัฐบาลเนี่ยรวมถึง ประเทศที่เขาติดกับดักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเป็นทุนเราอย่าไปทําในสิ่งที่เขาเรียกกันว่ามันไม่มีฐานประเทศไทยเราไม่มีมาก่อนแล้วเราก็จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาพัฒนามันเริ่มจากศูนย์มันคงไม่ได้ต้องมาต่อยอด จากความแข็งแต่งที่เรามีอยู่แต่มันเสื่อมโทรมในฝ่ายรัฐบาลเขาก็จัดไว้ดังนี้กลุ่มที่หนึ่งทำวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเราประเทศไทยเป็นในน้ามีปลาในานามีข้าวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มอาหา ร, กรเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งครัวไทยไปทั่วโลกอันนี้เนี่ยโอเค มีคนพูดถึงน้ำมันบนดินน้ำมันบดินไปแลกกับน้ำมันใต้ดินตะวันออกกลางมีน้ำมันใต้ดินแต่เขาต้องกินข้าวต้องทานผลไม้เราทำอย่างไรที่จะให้ข้าวให้ผลไม้ของเราเนี่ยส่งไปหาคนเหล่านั้นสดๆไม่ใช่แช่แข็งฟรีสไปกว่าจะได้ รับประทานเนี่ยมันเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติถ้าจะแช่แข็งเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้ผลไม้เราพอไปอุ่นแล้วหรือหรือไปเข้าไมโครเวฟแล้วมันรสชาติเหมือนเดิมอัตมาคุยกับซีพีท่านธนินเจรวนนท์ผลิตอาหารเยอะแยะอย่างที่ท่านเห็นบอกแกงเขียวหวาน รดแกงเขียวหวานขายดีมัสมั่นแกงเขียวหวานขายดีมากในญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะมันมีระบบฟรีซที่พอไปวอร์มที่ไปอุ่นไบอะไรต่างในประเทศนั้นรสชาติไม่เสียเลยความยากอยู่ตรงไม่ได้อยู่ที่การผลิตแต่อยู่ที่ทำอย่างไรจะรักษาคุณภาพอาหารรอดช่อง รอดช่องเนี่ยเราไปซื้อเอามาเก็บไว้ในฟรีซคืนสองคืนพอเอามาทานมาอุ่นมันไม่เหมือนเดิมแหละมันจะมีรอดช่องอะไรที่ให้มันเหนียวนุ่มอันนี้พูดตามที่ท่านทานินพูดนะเนี่ยเทคโนโลยีแค่นี้แหละท่านเอาทำรายได้้กับประเทศไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ส่งไปแล้วมันโดนตีกลับอ่ะ อาหารเราต่งตางๆเข้าประเทศเขาไม่ได้เราเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยยังต้องการงานวิจัยอีกมากเลยกลุ่มที่สองเรื่องสาธารณสุขสุขภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้แปลกนะแพทย์แผนไทยเราไม่ได้ขึ้นชื่อนะแต่กลุ่มนี้เป็นหน้าเป็นตาทำรายได้ค่อนข้างสม่าเสมอในอาเซียนในการเนี่ย เวลาประเทศอื่นๆหรือในกลุ่มอาเซียนจะรักษาพยาบาลเนี่ยเขามาสองประเทศเท่านั้นแหละท่านไม่สิงคโปร์ก็ประเทศไทยมาหาแพทย์พยาบาลประเทศไทยตะวันออกกลางมาเยอะมากพวกเศรษฐีเลยนะอัตมาไปพาคณะมหาจุลาไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยอันอาซาที่อียิปต์ไปเจอพยาบาลไทยไปเรียนภาษาอาหรับอยู่ที่นั่นถามว่าเธอมาเรียนทําไม บอกทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีชื่อแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นรีเซ t ชันเขาต้องทรงมาเรียนภาษาอาหรับเพื่อต้อนรับคนตะวันออกกลางอย่างนี้ก็แสดงถึงกลุ่มที่สองเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ถ้าสร้างโรงพยาบาลพัฒนาเทคโนโลยีงานวิจัยอะไรต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยโรคเอดอะไรต่างโรคเอเป็นต้นเนี่ยนะก้าวหน้าใช้ได้ยาราคาถูกอะไรต่าง เราเราไปได้ไกลนะแต่ยังยังอยากจะเห็นแพทย์แผนไทยอะไรต่างได้รับการส่งเสริมมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อภัยภูเบศเนี่ยปราจินบุรีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอาเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้วิจัยแพงอะไรเลยแล้วก็มีผลมีประโยชน์มากและมันอยู่ในกลุ่มที่สองกลุ่มที่สเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่ญญนยนต์ เครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไอ้ตัวประเทศไทยเรามีความได้เปรียบในเรื่องทำไอ้เรื่องเล็กๆกันนะไอ้สมองกลเรื่องขุ่ยนยนต์เรื่องชิปเรื่องชิปของไ ม, ไมโครชิปของคอมพิวเตอร์เนี่ยฐานอยู่ที่อยุธยา น, นี่แหละตอนน้ําท่วมปี5้าสนะคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนี่เขาเรียกว่าเป็นอมภาตตามประเทศไทยไปด้วยแต่มาก็เพื่งรู้เพราะว่าชิปคอมพิวเตอร์มันทําที่นี่ อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งไอ้ของเล็กๆเนี่ยทำไมเราผลิตได้ดีท่านลุงฝีมือคนไทยใจโบราณเนี่ยเราทำทำอะไรๆายไทยอะ่ะนี่ก็เห็นอยู่เนี่ยคุณหุ่นทั้งหลายเราแกะนี่ต้องใจเย็นใจเย็นนะกว่าจะได้กว่าจะวาดภาพผาผนังได้จะหุ่นอะไรต่างๆต่างเนี่ยมันอาศัย ความระเบียดระไมทางความคิดไปที่สีลังกาคนไทยไปตะเวนซื้อพวกอัญมณีทั้งหลายเป็นก้อนๆเน่ยนะพวกเพชรพวกลอยอะไรต่างพอมาถึงเมืองไทยนี่เรามีมูลค่าเพิ่มเพราะฝีมือในการเจระไยของไทยนี่ในเรื่องของอัญมณีเราไม่ได้อยใครเลยแต่เราหมดแล้วน่ะนะแถวเมืองจันทรมันหมดเราก็ไปหาที่ที่อื่นมา แต่จะเอาไปเอาพม่าสู้จีนเลยจีนขนไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็มาทำในเรื่องของชิปเรื่องหุ่นยนต์เรื่องสมองกลอิเล็กทรอนิกในการควบคุมเราพัฒนาไปที่มันสอดคล้องกับอัจยาสัยคนไทยข้อ4ี่กลุ่มดิจิตอลนะฮะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมตอ่ออันนี้มันก็มาจากแบบเดียวกันในะเรื่องเรื่องของสมองกลเรื่องของการเชื่อมต่อเทคโนโลยี อ, า, อาเครื่องเเนี่ย artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยเราก็เดินหน้าต่อไปไต้หวันนี่นำหน้าในเรื่องนี้มากกลุ่มที่ห้าฐานเรื่องวัฒนธรรมท่านการท่องเที่ยวการบริการ s ซอร์วิรายได้ประเทศเรามาจากสากลุ่มอาสุรสาหกกรรมกรเกษตรกรรมและก็บริการ บริการเราขึ้นชื่อตรงตรงนี้เรื่องวัฒนธรรมของเราเรื่องสยามเมืองยิ้มแต่ต้องเพิ่มเรื่องคุณธรรมความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบไม่ทําร้ายเขาไม่โกงเขาระบบการศึกษาต้องช่วยสร้างลักษณะ น, นิสัยตรงนี้ไม่โลภมา ก, ก น, นะเพราะฉะนั้นในในเรื่องที่ห้าเนี่ยเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพวกเราช่วยได้เยอะเลยศิลปะนะ วิทยาอะไรต่างๆเมือ่อเมื่อไม่นานวันนี้คนจีนที่อยู่ในประเทศไทยมายี่สบปีมาหาตรรมาเพื่อที่จะเอาอุปรากรโอเคสตราจากจีนมาแสดงเรื่องสยามเมืองพุทธสองร้อยค น, น, นฟรีเลยนะเพื่อมาร่วมแสดงวิสาขาโรคอัตามาบอกว่าเสียใจวิสาขาโรคปีนี้เราไปจัดที่เวียดนามแล้วทำไมคุณที่จะทำะทาน่ย ท, ทั้งๆที่เงินก็ต้องมาหาสารเข า, ต, าตั้งมูลนิธิขึ้นมา เขาบอกเกิดจากครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนของเขาคนจีนเนี่ยนะมาเมืองไทยตัวเขาเองเขาอยู่เมืองไทยมายี่สิบปีเขารู้จักประเทศไทยเรื่องอะไรรู้ไหมคนจีนเนี่ยให้ไปพัทยาแล้วเขาก็บอกว่าไปพัทยาไปดูอะไรไปดูกระเทยง่กระเทยนะ่พวกทิฟฟานี่พวกอะไรต่างเขาเสียใจมาก คนจีนที่อยูนบนไทยเขาบอกประเทศไทยมีพุทธศาสนามีวัฒนธรรมมีวัฒน า, ร, ร, ารางสวยงามแต่ไม่มีใครรู้จักเขาจึงอยากจะสร้างวงดนตรีอะไรต่างแสดงวัฒนธรรมไทยให้คนจีนให้ชาวโลกดูคนจีนยังเดือดร้อนแทนพวกเราเในเรื่องกลุ่มที่ห้าที่จะหารายได้เข้าประเทศเถวของเราเนี่ยซึ่งพอลราชพัี่์กาหนดไว้แล้วให้ท่านตํงาง ม, มาตราเจ็ด ให้มหาวิทยาลัยราชภัทุกแห่งเนี่ยเป็นสถาบันอุตสาห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาแก้ จ, จงปัญญานะเสริมพลังปัญญาของแผ่นดินเสริมนะไม่ใช่สร้างใหม่นะร่วมกันกับที่ฝ่ายอื่นเนี่ยมาร่วมกันฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างสรรค์ศิลปะวิทยา พรบรท่านกำหนดไว้เลยนะ่ะเป็นพันธกิจแล้วเราจะทำต่างคนต่างทางหรือจะทำไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นอีกเรื่องหนึง่งทีนี้มาถึงคำว่านวัตกรรมนวัตกรรมกับประดิษฐกรรมเนี่ยเราสับสนไม่เหมือนกันนะท่านบางทีเราไปคิดน้อยใจว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยมีประดิษฐกรรมเราไม่ค่อยประดิษฐ์อะไรมาเพราะฉะนั้นเราก็อยู่แค่นั้น เลยไม่ได้ประดิษฐ์อะไรเลยคําว่า Invention ประดิษฐกรรมหมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีกระบวนการในการผลิตใหม่เป็นครั้งแรกนี่คือประดิษฐกรรมประดิษฐกรรมใช่จะดีเสมอไปนะประดิษฐกรรมใช่ว่าจะทำรายได้ให้ประเทศนะจีนเนี่ยท่านไปเปิดประวัติศาสตร์จีนเนี่ย จีนโบราณนี่มีประวติกรรมที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่สี่อย่าง Four Great Chinese Inventions ยอดประวกรรมสี่อย่างของจีนจีนทำเป็นแห่งแรกของโลกแต่ไม่ได้ทำให้จีนร่ำรวยหรือมีอำนาจหนึ่ง a s s เข็มทิศ คนจีนบอกว่าเราผลิตเข็มทิศไอ้คอเทศปรผลิตเข็มทิศครั้งแรกในโลกแต่เราไม่ได้ค้นพบทวีปอเมริกาแทนที่จะใช้เข็มทิศสำรวจโลกไม่ได้ทำผลิตแต่ไม่ได้ประยุกเห็ น, หนสอง จีนเป็นประเทศแรกในโลกที่ประดิษฐ์ดินปืนประวัติศาสตร์สิ่งประดิษฐ์มันบอกชัดเจนคงบปิงค่าในเรื่องจริงในสามก๊กฆ่าทหารโจโฉพระดินปืนคงเปิงเรียนในสำนักลัทธิเตา๋าสุมาเตโชเนี่ยเป็นเจ้าสำนักเตา๋า เต๋เป็นผู้ค้นพบดินปืนจีนค้นพบดินปืนทำบั้งไฟแต่ไม่ได้ไปดวงจันทร์เป็นประเทศแรกมันหยุดอยุ่ไม่มีการประยุกต์ใช้จีนเป็นประเทศแรกที่การทำมีการทำกระดาษ paper making จาก แผ่นไม้ไผ่เนี่ยเขามาทํากระดาษเป็นแห่งแรกจีนเป็นประเทศแรกที่มีการพิมพ์พิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนาะไม่ใช่พิมพ์แบบที ล, ละชิ้นละชิ้นเป็นระบบการพิมพ์นี่แหละแต่แพะอัฟจัลแนกูเทนเบิร์กเป็นคนประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ยุค ป, ปัจจุบันตัวเองประดิษฐ์เท่ เหมือนเราทําวิจัยเนะี่ยใส่หิ่งไว้อย่างนั้นนะทนไม่ได้ทําประโยชน์ให้คุ้มกับที่เหน็บเหนื่อยนี่คือบทเรียนที่จีนได้เรียนรู้อย่างเจ็บปวดเพราะขาด Innovation จีนมีผลิตกรรมแต่ไม่ทํานวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์นั้น นวัตกรรมคืออะไร innovation คือการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เขาประดิษฐ์ไว้ท่านเอามาใช้ประโยชน์นี่คือนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือใครประดิษฐ์อะไรไว้เราเอามายำใหญ่เอามาสร้างอะไรก็ได้ให้มันเหมาะสมกับสังคมไทย Improve พัฒนาปรับปรุงประดิษฐกรรมนั่นคือนวัตกรรมนวัตกรรมมีสี่ประเภทที่พวกเราสามารถนำมาปรับปรุงได้หมดในงานวิจัยและนวัตกรรมหนึ่งด้าน Product ด้านผลผลิตเราจะผลิตสิ่งราคาแพงให้มันถูกอย่างทำยะผลิตยาเนี่ย ได้อย่างไรเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมกับชาวนาชาวไร่ไม่ต้องไปซื้อเขาแพงๆเนี่ยทำได้อย่างไรสอง Service Innovation น, นวัตรววกรรมด้านบริการลดทำอย่างไรให้มันไปถึงผู้รับบริการได้รวดเร็วประหยัดเวลาข้ามพ้นปัญหาโลจิสติกการขนส่ง Process Innovation ด้านกระบวนการการผลิตเหมือนเฮล่ฟอร์ดเนี่ยผลิตรถยนต์แต่ก่อนนี่24ชมมั่วโมงได้หนึ่งคันแต่เฮล่ฟอร์ดสร้างสายผ่านการผลิต Product, Production line เอาของวางตรงนี้ไปหน่อยคนก็ยืนอยู่กับที่แล้วเอาของใส่พอไปสุดสายผ่านได้รถมาหนึ่งคัน นี่คือนวัตกรรมที่เขาทำไว้ด้านกระบวนการไม่ต้องไปแค่นวัตกรรมด้านกระบวนการนี่มันก็จะไปเสริมด้านการผลิตใช่ไหมท่านมาระาามันก็จะถูกลงทำได้เร็วขึ้นถ้าท่านมีโปรเซสที่มีนวัตกรรมมันก็ไปเสริมบริการได้เร็วขึ้นแล้วสมัยนี้เราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากต่างประเทศเอามาทา ลดเวลาลดขั้นตอนลดราคาของสิ่งประดิษฐ์การบริการและกระบวนการสุดท้าย management innovation เศรัฐกิจด้านการจัดการทำไมเราจะต้องไปสั่งเข้า QA จากญี่ปุ่นจากอเมริกา TQM ISO อะไรต่างๆเยอะแยะหมดรวมมาถึงเลือกประกันคุณภาพของเราเนี่ย ไอ้ที่มันเหมาะสมกับประเทศไทยเหมาะสมการประกาอบัิชานที่เหมาะสมกับราชพัฒน์กับมหาวิทยาลัยสม์มันคืออะไรที่คงเองกลักษณ์เอาไว้เนี่ยจนบัณ น, นี้เรายังไม่ได้วิจัยออกมาเลยบนอยู่ น, นั่งงน иногда. แหละมหาจุฬามหาบกุฎแล้วก็ปล่อยให้เขามาประเมินเราโดยที่รูปแบบมันไม่เข้ากับเราเลยของท่านเป็นราชพัฒน์เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิน่นเขาเรียกว่าพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่น มันมีตรงไหนที่แสดงถึงจุดแข็งของท่านในการประกาศงานวิจัยข้อสี่จะช่วยได้มากประเทศไทยทะเลาะกันจะหาทางออกอย่างไรมันก็จะเป็นไม่ใช่ความอับจนทางปัญญา Management Innovation ข้อแรกด้านผลผลิตท่านดู iPad iPhone ที่ t ต v e Jobs เขาทำเขาไม่ประดิตสิ่งใหม่เลย โทรศัพท์มันก็มีคนประดิษฐ์ไว้แล้วกล้องมันก็มีคนทำไว้แล้วคอมพิวเตอร์ก็มีคนทำอินเทอร์เน็ตก็มีเทปก็มีสตีมจ็อกเอามารวมกันเหลืออยู่ใน iPhone iPad ด, ดูไปดูมานวัตกรรมไม่ใช่เรื่องยากเลยท่านแต่ต้องรู้จักเทคโนโลยีที่เขาประดิษฐ์ไว้แล้วต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าเราจะมาแก้ปัญหาอะไรอาตมาเนี่ย เวลาไปอเมริกาเมื่อ20ปีแล้วก็จะไปหาไอ้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กอะนะที่มันเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเป็นนักพูดต้องการอคอมพิวเตอร์เล็กๆบาพวกเขาก็ต้องเอาโน้ตบุ๊กอย่างนี้มาให้เราหาอยู่เป็น10ปีนะไปอเมริกาไปดูตามร้านมันก็ไปผลิตจนั้งอยู่ๆมันเกิด iPad นะเกิด i p h o n มันมันย่นเวลาในการ ทำ r e เ e a r c h เท่าไหร่ไปที่ไหนเราก็สามารถค้นไปด้วยไม่ต้องยกเครื่องไปใหญ่อย่าโตโตเลยพิมพ์ไปแล้วจะมาส่งเข้าพริตเตอร์เราก็กดจาก iPad iPhone เข้าไปแต่กว่าจะมาได้ตรงนี้ต้องรอ s t e a m Jobs คนอื่นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ทำให้เราแต่ถามว่าดีมานมีไหมอาตมาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีดีมาน ต้องการทำหลายๆอย่างที่มันรวดเร็วแต่มันไม่มีถามว่าตอนนี้เนี่ยเรายังต้องการอะไรอีกไปวิจัยการตลาดสิไปวิจัยผู้บริโภคสิพอวิจัยมามันก็จะเกิดการปรับปรุงการผลิตขึ้นมาแต่น่าเสียดายว่าฝ่ายผลิตก็ไปอยู่ที่หนึ่งประเทศเรานะ กระบวนการผลิตไปอยู่อีกที่หนึ่งฝ่ายขายก็ไปอีกทางหนึ่งมันไม่คุยกันไม่ร่วมมือกันไม่ทําวิจัยไปสู่เป้าหมายเดียวกันนี่คือจุดอ่อนประเทศไทยเราจะไป 4.0 4.0 ไปเพื่ออะไรมีใครพูดเพื่อทําไปสู่เป้าหมายเดียวกันรอเปลี่ยนรัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลใหม่ก็ไปเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้สมมตินะพวกใครพวกมันแต่ในทางสติปัญญามันไม่ควรมันไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มันจะต้องขับเคลื่อนประเทศไทยไปไปทา่ไหนก็ไป ม, ม, มันให้มันทางเดียวกันเรื่องการเมืองก็เลือกการเมืองในจีนเขา เ, ข า, เขามีความคิดใหม่แล้วถ้าเขาขืนทำอินเวนชั่น4อย่างนะประเทศไม่เจริญหรอกไอ้ที่ว่างเมื่อกี้อะเข็มทิศดินปืนกระดาษทำกระดาษการพิมพ์มันเป็น 4, 4ยอดสิ่งประดิษฐ์ของจีน แต่จีนไม่เอาแล้วมาทำสี่ยอดนวัตกรรมของจีนเดี๋ยวนี้ทําเงินมหาศาล ส, ส, ส่งออกทั่วโลกโดยงานวิจัยของรีเสิร์ชอินสิสถาบันวิจัยเรื่องทางสายใหม่เนะี่ยเพื่อศึกโดยเขาทำวิจัยไปถามนักศึกษาต่างประเทศที่อยู่ในจีนทุกวันนี้ว่าอะไรคือนวัตกรรมแต่เขาเรียก อินเวนชั่นนะแต่จริงมันไม่ใช่อินเวนชั่หรอกเขาพยายามเรียกอินเวนชั่เพื่อไปเรียนแบบ4อย่างที่ว่าแต่มันเป็น Innovation ในทันะแพทนาามาก็เลยบอกว่ามันคือ innovation เดี๋ยวท่านก็จะดูว่ามันเป็น Innovation แต่เขาบอกว่ามันเป็นอินเวนชั่สมัยใหม่ซึ่งไม่ใช่มันเป็น Innovation สมัยใหม่ของจีน4ี่อย่างที่นักศึกษาต่างประเทศเวลาอยู่ในปักกิงในจีนกอโทษชอบมากๆเลย สี่นวัตกรรมของจีนทุกวันนี้ดูในภาพท่านก็จะเดาได้เนี่คืออะไรนี่มาประเทศไทยเรื่อนี้4ี่อย่างคือยอดนวัตกรรมจีนในปัจจุบันนวัตกรรมนะไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าทำเงินมหาศาลมากข้อแรก High Speed Train รถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยญี่ปุน่น ฝรั่งเศสเยอรมันเป็นคนคิดขึ้นญี่ปุ่นก็คือ Bullet Train ใช่ไหมสมัยก่อนไปฝรั่งเศสกครื่อทีจีวีวิ่งเร็วมาก300รกิโลเมตรต่อชั่วโมงเ็ื่อสิบสปีที่แล้วเราสมาชราไปนั่งนะนับนับเสาไฟฟ้าไม่ทันกันลลยกันมันวิ่ง300รอกิโลเมตรเนี่ยถ้ารู้ไหมเครื่องบินที่เวลาลงสนามบินแตะลัว น, น, ล ว, นะน ว, ลลวีเนี่ยมันใช้ความเร็วนะโบอิ้งเนี่ยเวลาแตะลันวีเนี่ยมร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่ อ, เ พ, อเพื่อที่จะหยุดเนี่ย มันเท่ากับท g จีวเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีญี่ปุ่น500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเยอรมันไป600กิโลเมตรต่อชั่วโมงจีนไปซื้อเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเยอรมันโดยมาทำ s ฮ e ป d t เ a ร n ของจีนเมื่อเริ่มไอตอนเสี่ยงไหนะ้่ะ30กิโลไปสนามบินแต่จีนเขาฉลาดเขาบอกว่า ซื้อรถไฟมาไม่ใช่เอาแต่โบกี้มาเครื่องยนต์มาขอซื้อความรู้เทคโนโลยีมาด้วยเอาสมองญี่ปุ่นมาด้วยแล้วเขาก็ให้คนของเขาเรียนทุกอย่างในการทำเครื่องยนต์ในทในการทำรถไฟความเร็วสูงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเป็นของจีนไปแล้วนี่คือไทยขาดตอนที่เราเป็นส0มูนทุกวันนี้ก็ยังเป็นสามศูนเนี่ยเราให้ต่างประเทศมาลงทุนสร้างโรงงานสร้างอะไรต่าง พอทเทคโนโลยีพอมันราคาแพงไอ้แรงงานราคาแพงเขาย้ายฐานทิ้งเครื่องจักรซึ่งตกรุ่นเทคโนโลยีล้าสมัยไว้ให้เราเราไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของเราเองอย่างจีนเขาทำจีนทำเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงโดยญี่ปุ่นคิดเยอรมันคิดเนี่ยเอามาเป็นของจีนแล้วทุกวันนี้เนี่ย ทำรถไฟทั่วประเทศจีนเนี่ยท่านรู้ไหมสองหมื่นสองพันใหม่มากกว่าในจีนแอ้มากกว่ายัางในญี่ปุน่นในเยอรมันในฝรั่งเศสในยุโรปรวมกันอีกแล้วจีนจะไม่ชำนาญได้อย่างไรทำไมการผ่าตัดในญี่ปุน่นในอเมริกาเนี่ยมันถึงเจริญผ่าตัดหัวใจได้ไหนโดยใช้กล้องเนี่ยปนีนึงเนี่ยนอกจากเครื่องมือเขาดีแล้วเนี่ยเขาผ่าตัดไม่รู้กี่ครั้งแพทย์เนี่ย ในขณะที่ประเทศไทยเรามันแพงคนที่จะไปผ่าตัดมีเงินจ่ายเนี่ยไม่มากเพราะฉะนั้นหมอก็ไม่มีสกิลเราจึงแหไปทั้งๆ ท, ท, ที่เครื่องมือมันดีเนี่ยนะในประเทศไทยเครื่องมีเหลือไม่แพ้นะแต่สกิลมันไม่ทันนั่นเราก็ต้องไปยุโรปไปอเมริกาไปผ่าตัดไปรักษาที่มันชั้นสูงคนมีตะตังเนี่ยถ้าเขาเอฟฟอร์ตเพราะไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ความรู้ประสบการณ์มันสู้เขาไม่ได้ สู้เขาไม่ได้พระทุนสู้เขาไม่ได้เพราะโอกาสในการเทรนคนมาให้ทําเนี่ยมันน้อยเรื่องเรื่องรถไฟความเร็วสูงก็เช่นเดียวกันอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในที่ไหนมันไม่ไปทั่วโลกพอมาที่จีนเท่านั้นแหละมาถึงไทยไปสิงคโปร์ไอวันเบลวันโรสเนี่ยนะจีนคิดนวัตกรรมขึ้นมาอีกเส้นทางสายไหมสมัยใหม่เนี่ย เพื่อขยายรถไฟความเร็วสูงไปทั่วยุโรปอเมริกาเอา่ยยุโรปกําลักะลังไปมาถึงประเทศไทยสิงคโปร์ทั้งหมดทั้เพราะไอ้รถไฟเขาขายเยอะเยอะมันถูกลงข้อสองอารีเปอ์อารีเป์เปก็คือการเขาเรียกอะไ ร, ารการใช้บัตรแทนเงินน่ไม่ต้องไม่ต้องพกเงินน่ อารีเปเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขามีคนใช้แบบนี้ไปที่ไหนก็รูดอย่างเดียวเนี่ยี่ร้อยล้านทานประเทศไทยอีกเท่าไหร่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยไปไหนไม่ต้องพกเงนินแล้วคนวัยรุ่นชอบมากถามว่าอาริเป้ใครคิดอ่ะไม่ใช่จีนสักหน่อยแต่ว่าอู้ยเอาไปใช้อย่างคล่องแค่ว่องไวเลยจเจริญพัฒนากนะ้าวหน้าอันที่สาม เขาเรียกว่าจั ก, กรยานจั ก, กรยานที่ที่แบบเช่าท่านคนจีนใช้จั ก, กรยานมากเพราะฉะนั้นมันมีคนมีนะวะัตมีหัวสมองทำสถานีจั ก, กรยานใครอยากจะได้ก็เอาอารีเปเอาบัตรมารูดมันมี G.P.S อยู่ที่จั ก, กรยานก็ ถ, กถ้าจะไปแค่ไหนเขาคิดราคามันก็จ่ายกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนที่รูดบัตรนั่ น, นแหละแล้วพอไปจุดหนึ่งมันจะมีสถานีเอารถไปคืนไปคืนเขาก็รู้เพราะมันมี G.P.S จ่ายเงินเขาก็จ่ายล่วงหน้ามาแล้วเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยทำให้มีจักรยานทั่วโลกเนี่ยวันต่อวันเนี่ยนะ25ล้านคันคนใช้มาถึงประเทศไทยแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยแคมปัสมันกว้างเขาใช้เอาบริษัทจีนนะไม่ใช่คนไทยทำนะโดยวิธีที่ว่านี่มาอยู่ที่ประเทศไทยไปลอนไปทําที่ลอนนอนไปทําที่วอร์ดิงดันดีซี ของนวัตกรรมจีนเนี่ยท่านเรื่อง bicycle เนี่ยส่งออกไปเรียบร้อยประเทศไทยทำเองก็ได้ไม่ต้องรอของจีนแต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเอาของจีนมาแล้วบริษัทจี น, นชื่อโอ o ฟ่เอามาทำเนี่นยไม่อาตมาไม่อยากบอกมหาวิทยาลัยไหนนะอันที่4ี่ออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งนี่อเมซอนก็ทำใครก็ทำแต่ของจีนทาแล้วเนี่ย มันแทรกซึมไปทุกวิถีชีวิตของคนจีนจนกระทั่งไม่ว่าชน บ, บทที่ไหนได้หมดแตมาพูดถึงจีนเพราะว่าเพิ่งไปเมืองจีนมาเมื่อ29ตุลาคมไปพูดในเวทีโลกของเขาเวอรบุริสฟอรัมรู้เลยว่าจีนกำลังทำอะไรวันเ a วันวันโรเนี่ยนะท่านตามเรื่องของเขาสีสีเช่นผิงทำไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่นานกิงมหาวิทยาลัยนานกิงเทค สถาบันภูเจียงนตึกที่ท่านเห็นเนี่ยเจ้าของเป็นคนไทยท่านเป็นมหาวิทยาลัยคนไทยแรกที่บุกเข้าไปในจีนคือของ c ีนี่ c ีของ 7-Eleven คุณก่อศักดิ์ในมนต์มาไปดูไปดูหลายอย่างว่าเราจะไปสอนจีนเนี่ยไปตั้งมหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยนะเทคโนโลยีในจีนมันไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะไปสอนเทคคให้เขาเนี่ย ของไทยเนี่ยมันสู้เขับไม่ได้แล้วจะมาไปดูถึงได้รู้ว่าทําไมมันสู้เขับไม่ได้ถ้ารูไ้ไม่ไปดูไม่รู้หรอกท่านก็คือทุกอย่างเนี่ยเทคโนโลยีเขาเขาซื้อเขาเรียกอะไรทรานเฟอร์ก็คือคนจีนทําวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีของเขาเองท่านคงนึกถึงเอาง่ายๆเลยที่ท่านเห็นคือโทรศัพท์มือถือของจีนเนี่ย ที่ออกมาขายในเมืองไทยเนี่ยใหม่ๆเราสนไหมไม่สนหรอกท่านเราไปเอาของเกาหลีของอเมริกาแต่เดี๋ยวนี้การโฆษณาเนี่ยมันถูกใจคนคนเริ่มซื้อไม่ใช่เพราะมันถูกไปเมืองจีนแล้วจะรู้พอไปเมืองจีนจามาไปเห็นอันนี้ท่านที่รงอาหาร โรงอาหารของวิทยาลัยที่พูเจียงเมื่อกี้เนี่ยของ C ีพีเนี่ยนักศึกษาสามารถจะมาหยิบอาหารมาวางในถาดเข้าแถวมาเป็นร้อยหลายหลายคอนเย็บอาหารวางในถาดมาวางถาดอยู่ตรงเนี้ยของกี่อย่างก็ตามวางถาดตรงเนี้ยคอมพิวเตอร์มันคิดเงินให้เสร็จแล้วนักศึกษาแค่เอาโทรศรรัพท์ลูดปั๊บเดียวก็จ่ายเงินเสร็จเพราะฉะนั้นไม่ถึงนาทีทุกคนได้อาหารไปแล้วจ่ายเสร็จหมด ขึ้นอยู่กับเครื่องไอ้โทรศัพท์อันเดียวเนี่ยที่เขามีเนี่ยไอ้ที่โทรศัพท์จีนเราจะมาไม่พูดจีฮ่องอะไรนี่นะใหม่ใหม่นี่มันราคาถูกมั่แข่งเขาแต่พอขายในจีนผลิตคือหนึ่งเครื่องเออผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละรุ่น ม, มันได้กี่ล้านเครื่องท่านแค่บริโภคในประเทศซื้อในประเทศเนี่ยทุนมันกลับมาที่บริษัทที่ผลิตมหาศาลแล้วทุนนั่นแหละ เขาเอาไปวิจัยทำนวัตกรรมแล้วมาทำเวอร์ชั่นต่อมาต่อมาทีนี้พอทำอย่างนี้ขึ้นมีนวิจัยนวัตกรรมนำหน้ามันขายทั่วโลกล่ะจุดแข็งของจีนคือทุนมหาศาลขายในประเทศจีนเพราะรัฐบาลเขาบังคับให้ขายก่อนแล้วพอให้คนจีนซื้อก่อนพอซื้อเสร็จเอาทุนกลับมา มาพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นเม็ดอินชัยน่ายังไงไงมันก็ต้องไปท่านเพราะเมื่อเขาได้ทุนเขามาวิจัยมาพัฒนานวันตกรรมมันก็ไปเรื่อยๆเป็นวงจรนี่ไปที่ย อ, อเมริกาเพิ่งกลับมาเนี่ยสมาชิไปเที่ยวสมาได้พูดต่างประเทศเพราะไปไปเทศที่ไหนก็ชอบไปดูไปจีนเราด้วยจีนไม่ใช่แล้วเพราะไปมาไปพึ่งไปเทศมานี่ไปไม่ถึงเดือน เ, เนี่ยที่อเมริกาสักเดือนหนึ่งไปเทศมาที่ชิคาโก ไปดูว่ามันไปถึงไหนแล้วด้านวัตรกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่พูดกันื่องเรื่องดิจิตอลนะท่านนะเขาพูดในอเมริกาเขาพูดเรื่อง Fourth Industrial Revolution เพราะฉะนั้นกว่าเราจะตื่นขึ้นมาตามยุคดิจิตอลเสร็จเนี่ยเขาไปขั้นที่4ี่แล้วดิจิตอลมันอยู่ยุคที่สามท่านนี่เนี่ยอันนี้คือดิจิตอลแต่อเมริกานี่มันไปยุคที่4ี่แล้ว เพราะฉะนั้นไอ้ 4.0 เนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจาก 1, 2, 3, 4มาจากอิน u s t r i a l r e เร l ิวูชั่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่1ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มจากเครื่องจักรไอ้น้ำที่เรารู้กันในอังกฤษมีรถไฟฟ้าไอ้มีรถไฟรถจักรอ่ะอย่างที่ราชการที่5เราอะ่ะนั่นแหละยุคที่1ยุคที่สองเป็นยุคที่มีไฟฟ้า Electricity นะมีไฟฟ้ามันก็สร้างโรงงานขนาดใหญ่ได้อะไรได้มีรถยนต์มีผลิตออกมาได้เยอะเลยอันนี้เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สองยุคที่สามเป็นยุคจากอนาล็อกเข้าดิจิตอลคือมีคอมพิวเตอร์ออมีมีคอมพิวเตอร์มีไวไฟมีหุ่นยนต์ อย่างที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยในประเทศไทย เ, ยเรากำลังทำวิจัยกันอยู่ในยุคคอมพิวเตอร์ยุคออโตเมชัน่นรุอหุ่นยนต์สมองคนที่รัฐบาลไทยทำเนี่ยเน้นเรื่องเนี้มันยุคดิจิตอลของเขาแต่อเมริกามันไปอเมริกาและยุโรปเนี่ยเป็นยุคที่สี่เขาเรียกยุคปฏิวัติสากรรมที่สี่ไม่ได้อาศัยดิจิตอลอย่างเดียว แต่ดิจิตอลเป็นพื้นฐานเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟ s ิ่งแล้วอินเทอร์เน็ตออฟ s ินี่หมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากแต่มีมือถืออันเดียวเนี่ยมันสั่งได้ทุกอย่างท่านสั่งได้ทุกอย่างดูนอกจากมีโรบอทหุ่นยนต์ มีโรบอทมีหุ่นยนต์มีสมองกคนรวมกันหมดทุกอย่างที่เราพูดกันเนี่ยแหละอาตมาไม่มีเวลานะสิ่งหนึ่งที่ที่มันมาแล้วนะท่านจีนเอาไปใช้ก่อนเลยก็คืออันนี้ท่านเสี่ยงไหาสร้างสะพานด้วยการพิมพ์สามมิติ 3D printing เป็นขาวเล็กๆหนังสือพิมพ์ก็ไม่ลงแต่มันอยู่ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งอาตมาเห็นแล้วอันนี้คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ท่านไม่ใช่ดิจิตัลมันเกินดิจิตัลสร้างสะพานด้วยการพิมพ์สามมิติ 3D Printing 3D Printing เป็นหนึ่งในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เมืองไทยยังไม่ยังไม่รู้แต่เซียงไฮ้ไปทำแล้วถ้าดูนี่นี่คือสะพาน สะพานคนเดินข้ามสิบห้าเมตรไม่ต้องสร้างเลยนะท่านไม่ต้องไปไปเท ป, ปูนไปวางเหล็กไปอะไรเลยเอาเข้าลงพิมพ์เอาเข้าลงพิมพ์แล้ว ม, มันพิมพ์ออกมาเลยเป็นสะพานน่ะปกติมันพิมพ์สอง ม, มิติคือมีภาพมีความกว้างมีความหนาอา่ามีความยาวแต่ไม่มีความหนาแต่พอมันเป็น 3D printing เนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นสะพานแล้วใช้ได้ นี่เครื่องพิมพ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ให้คนเดินข้ามต่อไปเนี่ยนะท่านท่านอยากจะประดิษฐ์อะไรก็ได้อยู่ที่อเมริกาเขาทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพียงแต่ท่านมีเมทัลเรียนมีวัสดุาสตร์สาารใส่เข้าไปในเครื่อง 3D Printing เนี่ยนะโปรแกรมเขาทำให้สั่งพิมพ์ที่เหมืองไทยเนี่ยเช่นหัวใจเทียมท่านก็ทาได้ เครื่องจักรแมชชีนทูแมชชีนมันสั่งกันเองคอมพิวเตอร์ที่อเมริกามันสั่งพิมพ์เป็นหัวใจเทียมหมอที่อเมริกาออกแบบให้ดูจากเอสรีระของท่านเนี่ยเขาไม่ต้องมาเลยเขาทําให้แล้วก็พิมพ์สั่งพิมพ์มันก็จะออกมาเพียงแต่ท่านต้องมีวัสดุสําหรับทาหัวใจอยู่ในเครื่องพิมพ์เท่านั้นแหละวัสดุในการทำสพานมันต้องอยู่ในเครื่องพิมพ์ไม่ใช่กระดาษนะมันจะเป็นอะไรเป็นซิลิคอ น, ปนอไปแล้วกับว่ากันไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นสปาน อีกแบบหนึ่งก็คือบนสถานีอวกาศเตรียมเตรียมวัสดุไว้หมดเลยอยู่ตรงนั้นอยู่ในเครื่องพิมพ์แล้วถ้าเกินว่าอะไรมันเสียสักอย่างหนึง่ง อ, อ, อ, อ, อ, อุปกรณ์เสียเนี่ยไม่ต้องรอให้จะรวดส่งขึ้นไปอีกแล้วท่านเขาข้างล่างนี่เขาออกแบบคอมพิวเตอร์ให้สั่งพิมพ์แล้วมันออกมาเป็นไ อ, อ, อตัวอะไรในสถานีอวกาศ มาชีนถ mm ูกมาชีนอินเทอร์เน็ตรับสิ่งมันมันคุยกันเองแต่เราต้องมีสมองออกแบบโปรแกรมให้มันอันนี้ข่าวนี้ออกมาเมื่อวันที่ห้าธันวา ท, ท, ที่จีนคืออเมริกาทามาไม่แปลกใจพอจีนเอามาใช้นี่ดูซิว่าจีนเนี่ยเขาตื่นตัวไปถึงไหนแล้วแล้วตอนนี้มันจะทำให้ฝ่ายก่อสร้างมีปัญหาหรือเปล่านววิศวะอะไรหเราจะมาพูดกันต่อไปอ่ะสุดท้ายเทสมาฝากไว้ Econic Forum ได้ประชุมกันโดยทำเซอร์วนักบริหารหลายสิบประเทศสาม้อยห้าสิบคนในอุตสาหกรรมเก้าอย่างเนี่ยในภาคเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยถึงแนวโน้มของการได้งานในอนาคตของบัณฑิตทั้งหลายจบไปแล้วเนี่ย คนที่จะได้งานต้องมีทักษะในเรื่องอะไรบ้าง World Economic Forum เนี่ยสรุปไว้นะทำเป็นวิจัยออกมาซึ่งนั่นเหมาะกับบริษัทยักษ์ใหญ่นอกนอ ก, นอกหรือในประเทศเหล่าอาตมาตั้งเป็นโจทย์คำถามในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยผลิตครูทั้งหลายเนี่ยหรือผลิตบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยทักษะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตไทย ในห้าปีข้างหน้าหรือส0ปีข้างหน้าควรเป็นเรื่องอะไรบ้างเราจะได้ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้อง ร, ระดับโลก world economic forum เนี่ยเขาทำวิจัยแล้วออกมาเป็นทักษะ1ิบประการ top ten skills เป็นที่ต้องการของอเจ้าของกิจการหรือผู้ว่าจ้างในปี2020นะตอนนี้เรายังไม่ถึงเนี่ยเขาทำโลกหน้าไว้ห้าปี มีอยู่สิข้อท่านแล้วเขาจัด priority ไว้ด้วยลำดับความสำคัญไอ้ที่หนึ่งถึงสิบเนี่ยคืออันไหนต้องมาก่อนแล้วอาตมาดูแล้วเนี่ยบางอย่างในประเทศไทยยังยังไม่ใช่นะบัณฑิตของเราอย่าไปวิ่งตามเขานะดีไม่ดีดีเกินเขาเรียกว่าเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการ สังคมไทยยังไม่ต้องการบัณิตแบบนี้แต่เราก็วิ่งตามโลกเอางานวิจัยของเขาเป็นหลักนักวิชาการเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ไปผลิตบัณฑิตด้วยคุณสมบัติ10ข้อปรากฏว่าโรงงานก็ยังไม่ทับไม่ยังไม่ต้องการไทยก็ไม่ได้มันดีเกินนั้นต้องไปทํางานโนดอเมริกานโนดตรงนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นนักวิจัยด้านการศึกษาด้านอะไรก็ถามเนี่ย เราจะผลิตบัณฑิตออกมาเนี่ยมันจำเป็นไหมจะต้องมีสกิลสิบอย่างตามนี้หรือมันพวจะมีสกิลอื่นที่เหมาะกับสังคมไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยข้อที่หนึ่ง complex problem solving การแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนในเวลาอันรวดเร็วก็หมายความว่าคนยุคใหม่เนี่ยปัญหานี่มันต้องมองภาพกว้างแล้ว แก้ตรงนี้ไม่ใช่ไปกระทบตรงโน้นไม่มีไม่ใช่ว่ากินยานี้แล้วมันมีสายเอฟเฟกตมีผลข้างเคียงไปตรงโน้นต้องมองภาพรวมแล้วเชื่อมโยงกันหมดซึ่งมันเหมือนมันมาจากอะไรท่านเคยเห็นท่านดูคอมพิวเตอร์ใช่ไหมหน้าจอนี่มันมีตั้งหลายวินโดว์นั่นเนี่ยคือการคิดแบบคอมเพล็กซ์เดี๋ยวทำเรื่องนี้อวินโดนี้มันมีช่องเยอะแยะหมดเลยทางานพร้อมกันเนี่ยบิเกเวลาทางานเนี่ย ใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องแล้วก็มีวินโดว์ในแต่ละจอหลายอันเนี่ยเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์ในการทำงานข้อที่สอง critical thinking เนื่องจากว่าข้อมูลมันเยอะต้องวิเคราะห์เราต้องฝึกเด็กแบบนี้ข้อ3า creativity หมายความว่าในแต่ละโรงงานแต่ละที่ทำงานเนี่ยมันไม่สามารถลอกเลียนกันมาจากที่อื่นได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องมีนวัตกรรม ฉะนั้นเวลาไปทำงานมันจะต้องปรับให้เหมาะสมกับสินค้านี้ผลิตภัณฑ์นี้การคิดมันจะต้องมี Creative มีนวัตกรรมเพื่อให้มันสอดคล้องกับหมู่บ้านอย่างเช่น o t ท p ออย่างนี้สินค้าอย่างเดียวกันแต่ว่าวัตถุดิบ อ, อย่างเช่นทำอะไรชามเน่นะไอ้ชามเบญจรงนี่นะ หมู่บ้านนี้ดินนี้สำหรับบอกเหมาะมัจะลงแตมอันนี้สำหรับทำอินทำอะไรต่างอันนี้มันคือ creativity เวลาท่านไปอยู่ในที่ต่างๆเราไม่รู้เราจะทำงานที่ไหนมันต้องพร้อมข้อสี่ people management ต้องมีความสามารถในการจัดการเรื่องคนเพราะต่อไปเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรทำงานโรบอทบ้างอินเทอร์เน็ตป n อปซิงคบ้างหมายถึงในโลกจะมันตกนะแต่อย่างไรเสียคนมันต้องอยู่ตรงนั้น แล้วถ้าไปทำงานกับเครื่องจักรมากๆเนี่ยมันก็เลยติดต่อมนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีเราจะต้องสอนม า, ม า, มาดิิตต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่สังคมกรบหน้าต้องสอนให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ต้องสามารถในการจัดการได้เขาจึงเรียงข้อ4เอาไว้ต้นต้น1 2 3เนี่ยยุคนี้ก็ต้องการแต่ในยุคปฏิวัติสากรกมเนี่ยั้งที่4เนี่ย People Management มันก็ขึ้นมา เพราะว่าไม่ต้องการให้คนอยู่กับเครื่องจักรแล้วเชื่อมโยงประสานกันไม่ได้และเช่นไหมเห็นไห ม, หไหมข้อห้ายเนี่ยกป็ประสานงานคนอื่นเพราะว่าเครื่องจักรอินเทอร์เน็ตออฟเซ็งมันประสานกับเครื่องจักรแต่เราต้องการคนประสานกับคนมีมนุษยสัมพันธ์ประเทศไทยเรายังเป็นตรงนี้ไหมถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยยิ้มแ ย, ย้มแจม่มใสโ้ดีกันเหลือเกินเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างอยู่มันอาจจะต้องมาพัฒนาตรงนี้แล้วทักษะเรื่องมนุษยสัมพันธ์ข้อห เห็นไหมท่าน e m o t ช o n a l Intelligence คนเนี่ยมันเมื่อทำงานกันเครื่องจักรมากๆเนี่ยนะมันจะมี r ล t i c a l Thinking แต่ไม่ฉลาดในการควบคุมอารมณ์ไม่มีความฉลาดในการอ่านความรู้สึกของคนอื่นไม่เซ s i ิ i v e มองคนเป็นเครื่องจักรหมดในที่สุดมันอยู่ร่วมกันไม่ได้มันทำงานไม่ได้บริหารละบาก ม, มันเพราะฉะนั้นเรียนจบไปจะต้องมี e m o t ช o n a l Intelligence ความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับความรู้สึกของคนอื่นมีศิลปะในการจูงใจข้อเจ็มีความสามารถในการตัด judgment คือตัดสินแล้วก็ตัดสินว่าให้คุณค่านะจัดจเม้นคือให้คุณค่าอะไรควรจะมาก่อนอะไรควรจะมาหลังอะไรดีไม่ดีส่วน decision Mak กกิคือว่าทําตกลงนะอันนี้ดีทําก่อนอันนี้ไม่ดีเอาไวท้ทีหลัง Decision making ต้องมีความสามารถในการออกคำสั่งเราจ้องสร้างคนเพราะว่าเราต้องไปสั่งเครื่องจักรไงเราจะต้องไปคุมอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างอิ thing. นเทอร์เน็ตทั้์สิ่งที่พูดถึงที่โน้ประเทศเราจะเป็นขนาดนั้นไหมข้อ8 service orientation เมื่อต่อไปเครื่องจักรมันทำงานหมดอาลีไปหมดส่งไปทั่วหมดทำงานเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์เพราะฉะนั้น ความรวดเร็วในการทำงานจะต้องมีเซอร์วิสใหมมุ่งให้บริการรวดเร็วฉับไวถ้าบมวยอินชาหรือสยากันแทงกั๊กกันไม่คิดจะช่วยกันมันก็ไปแทงกักเคลื่องจกักรมันก็ทำให้สโลว์ดาวในโปรเซสทั้งหมดมันจะต้องทำให้เป็นคนจิตอาสานะข้อข้อข้อ8เนี่ยจิตอาสานั่นเองสังคมไทยมันเข้าสู่ยุคจิตอาสา หรือไม่อย่างไรเราก็มาดูกันนะทมวิจัยข้อเก้า negotiation skill อันนี้อยู่ท้ายๆแล้วความสามารถในการเจรจาก็ต้องมีเพราะเครื่องจักรมันมันไม่สามารถจะใ ห, ให้ให้คำตอบทุกอย่างเราจะต้องเอาข้อมูลจากเครื่องเครื่องจกักรจากคอมพิวเตอร์จากอะไรต่างๆเนี่ยมาเจรจามาตัดสินมาต่อรองและสุดท้ายข้อส0 cognitive flexibility เรียนจบสาขานี้ไม่ทุกวันนี้มันก็เป็นอยู่แล้วใช่ว่าจะได้ทำงานตรงสาขายิ่งต่อไปนี่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะไปทำงานในสาขาอะไรที่ไหนอย่างไรแต่จะต้องมีความรู้เบสิคท่านด้า น, านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, ไอสข้อที่ว่าเนี่ยข้อที่ผ่านมาแล้วข้อที่10บก็หมายความว่าพร้อมที่จะทำงานได้ทุกสถานการณ์ส่งไปอยู่ที่ไหน สามารถปรับตัวที่จะเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่โปรแกรมที่นี่เป็นอย่างนี้ทำทำ อ, อ, อะไรพันธ ก, กิจนี้ทําทัสนี้ภาระนี้สามารถเปลี่ยนงานได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องไปทํางานที่สํานักงานแนะอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็สั่งงานได้เขาเรียกว่าสั่งกันทางออนไลน์อะไรต่างเนี่ยยิ่งต่อไปมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้น มันจะไม่มีสำนัก ง, งานแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากจ้างไม่อยากจะสร้างเมื่อเร็วๆนี้ไปที่แห่งหนึ่งเอาไปที่าสานัก ง, งานแห่งหนึ่งแต่ก่อนเป็นบริษัทใหญ่โตไปเปิดให้วัยรุ่นนะบัณฑิตใหม่เนี่ยเช่าส่วนหนึ่งสำนัก ง, งานตัวเองยังเป็นบริษัทอยู่แต่เอาส่วนหนึ่งเนี่ยให้เขาเช่าตั้งบริษัทใหญ่โตไม่มีฝาผนังเลย ไม่มีฝาผอเลาบอกไม่มีฝาผนางังมีแต่โต๊ะนั่งคุยกันเนี่ยคนหนุ่มสาวนั่งคุยกันทํางานผ่านคอมพิวเตอร์แผนกใครแผนกมันมันอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นแหละแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ลูกค้ามันอยู่ทั่วประเทศทางออนไลน์ใช้ Space นิดเดียวตั้งบริษัทใหญ่โตทำไรายได้เยอะแยะไม่ต้องมีฝาผนางังไม่ต้องมีอะไรไอ้เจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนรุ่น60ไปแล้วก็บอกแปลกใจเหลือเกินไปแอบดูเขาทางาน เขาทำกันยังไงนั่นแหละมันคอมมิตตี้แฟคชั่นบริตี้ต่อไปถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยบัณฑิตของเราจะทำได้อย่างไรฝากไว้ว่าสิ่งสิบข้อเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะเป็นทักษะของบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในแค่ 5, ปี1ิปีเราจะผลิตอย่างนี้หรือมันมีคุณสมบัติอะไรที่เราไม่ต้องวิ่งตามเขาเนี่ยนี่คือโจทย์ที่เรายังไม่ได้วิจัยแต่ว่า เขาวิจัยไว้สาหรับประเทศเขากลุ่มเขาเราจะทำอย่างไรเทคโนโลยีเขาเก้าวไปเห็น f o r t h Industrial Revolution นะอินเทอร์เน็ตของสิ่งซึ่งเรายังไม่มีนะโทรศัพท์เรานี่กว่าจะสั่งอะไรได้หมดใช้โทรศัพท์เครื่อนเบียเนี่ยต้องรอเขาเรียกอะไร5ฟ 5G 5G นะตอนนี้เรายังเป็น G4 อยู่ G5 เนี่ยมันจะรองรับตรงนี้ก็ประมาณอีก2สามปีแล้ว2อมปีเนี่ย ข้างนอกเขาไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นคุณสมบัติคุณธรรมจริยธรรมเนะี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะว่ามันควรจะเป็นอะไรอย่างไรสตีฟจ็อบส์เขาบอกว่านักศึกษาจะต้อง stay hungry stay foolish เพื่อให้มี flexibility ต้องหิวความรู้เข้าไว้โง่เข้าไว้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่รู้จบทางพระพุทธศาสนาสอนว่า สัพพังสุตมัธียะถาหินบมุกุธรรมชิมัเป็นภาษาอาสตราชาเนยญาณจารสัพังประโยชน์โหติตาทิสโกกาโลยะถอัถาวังสุตังความรู้ควรเรียนทุกอย่างแต่ามาแปลเลยนะสุตะคือความรู้ควรเรียนทุกอย่างชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงเรียนมันทุกสาขาทุกเรื่องเพราะมันมี flexibility เราไม่รู้วนะ่าในอนาคตเราจะไปใช้อะไร เมื่อเรียนอะไรก็ต้องรู้ความหมายให้ครบถ้วนทะลุผู้โปรงเดี๋ยวนี้มันใช้เรียกว่าไม่ต้องรออาจารย์เล็กเชอร์แล้วเนี่ยเข้าหาความรู้ได้เองเลยอยากสนใจอะไรก็เรียนรู้เลยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ความรู้ในทันทีนะจะสับพังประโยชน์ชเชย์รู้ให้ทะลุผู้โปรงเดี๋ยวนี้ใครอยากรู้อะไรมันเข้าถึงได้หมดอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจะได้ใช้ทันทีเพื่อประโยชน์ในการ flexibility การยืดหยุ่น การนวัตกรรมเพราะเราจะต้องปรับเอาความรูห้หลายๆอย่างให้นำหน้าเขาโหติตาทิสโกาโโกาโลอัฐะยัตถาอัฐาวหังสุตังวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำประโยชน์มาให้มายำใหญ่ทำนวัตกรรมหรือปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ทำงานใหม่อันเนี้ยจะต้องเป็นภาสิทธิ์หลักนะเนี่ย สำหรับเด็กในรุ่นดิจิตอลในยุคปฏิวัติอาาุตสาหกรรมในการผลิตอย่าไปขี้เกียจการเรียนแล้วอย่าไปบอกโอ้ o o, รู้ ใ, ใจรู้อะไรรู้จริงเพียงสิ่งเดียวนะแต่ก่อนเราจะพูดอย่างนี้แต่ให้เชี่ยวชาญเถิเของเกิดผลมัน อ, อาจจะชักเชื่อชูฟูตะโกนถึงคนจนพกไกรคงได้ดีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วท่านไม่ใช่รู้จริงเพียงสิ่งเดียวรู้จร<บ>ิงหลายอย่างแล้วเชื่อมโยงประสานเป็นระบบแล้วก็มี c r e เอ i v i t y เอามาต่ อ, อามาภาษสานเหมือนจีนทำนวัตกรรมประเทศไทยเราต้องเป็นงั้นและนั่นคืองานวิจัยในยุค 4.0 ที่ฝากเดชท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาพงเ่านี้